พอให้มาพ่อให้มาพ่อให้มาพ่อเราให้มาไม่ให้ใครให้เธอดีกว่าใจนี้ใจดีเราที่พ่อให้มาหัวใจเสริมใยสิบชั้นปราบปะกันว่าทัานสมัยทนแดดทนทนท น, ทนไปไม่เป็นไรก็พ่อให้มา ธร ร, ธรรมดาพอใจแม้ใครจะว่าไม่มีน้ำยาก็ว่าเป็นหดลูกใครน้องพอ่อจงบันลูกใครกันช่างน่าภูมิใจลูกแบบนี้พ่อแบบไหนพ่อยังไงลูกเป็นอย่างนั้นดังลูกไม้ I'm <laughs> not. ให้มาพ่อเราให้มาไม่ให้ใครให้เธอดีกว่าใจดีใจเดียวที่พอ่อ ธรรมดาหัวใจพ่อให้พี่มาโยกให้น้องอย่าพ่อไม่ว่าอะไรลูกใครน้องพ่อช่างปัน่นลูกใครกันทั้งหน้าภูมิใจลูกแบบนี้ ให้เธอดีกว่าใจนี้ใจนี้เดียว